b o o สิ <Book> 2เจ7ในโรงแรมการมาถึงอันดิว l ตลออนกุมสคุณมีห้องว่างไหมคะให้ทอื่ m กล่ามาสำร ดิฉันจองห้องแล้วค่ะแ k คเฮตเกอเมอร์เบ e เดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ my n อมอ i มิลเลอรดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ per ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ กันแอคติคอมเมอร์ซิที่นี่มีโรงรถไหมคะอิดดอร์เอ็มวี i รซีร์ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะอิดดอร์ a k l ล i s ซ i e r ที่นี่มีเครื่องแฝกไหมคะอิดดอร์เอฟ็อกซีดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะครับแอคฟัตด e คอม e มนี่กุญแจห้องค่ะฮีร์อัสดิสเ e ็ตอลนี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะฮีร์อัสไมบ์กา i ีบริการอาหารเช้ากี่โมงค h ะฮ laat is o n นไบ t บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ h o l o ส is middayte? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ h o l สอ is ondite?